หลายคนในที่นี้คงเคยทด้ยินชื่อคุณสมเมธตันติวัชกุลเลขาธิการบุณฑิชัยพัฒนาคุณสมเมธเคยเล่านะถึงชีวิตของตัวเองว่าครั้งหนึ่งนี่เคยจนมากนะแต่ก็เป็นช่วงที่มีความสุขที่สุด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 ตาหูจมูกลิ้นแต่ว่าความสุขใจนั่นแหละนะที่เกิดจากช่ว่เรียบง่ายรวมทั้งที่เกิดจากการภาวนามันช่วยทำให้สามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขจากนั้นที่ในสายตาคนทั่วไปก็ถือว่าจนนะเอาความสุข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 ความสุขจากชีวที่เรียบง่ายนะความสงบส ง, งับนะมันก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึง่งเรียกว่าเนคข ม, มสุขนะสุขจากเนคข ม, มะเนคข ม, มะคือการออกจากกามการปลดจากสิ่งเร่าเร่าย่อยวนในทางกามหรือว่าความไม่ไม่ติดใจในกามบนะางทีเขาก็แปลว่าการออกบวชนะ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 ความสุขที่ประนีตประเสริฐแล้วก็ละเอียดกว่านั้นก็ทำให้จมอยู่ในากามาสุขต่อเมื่อได้สัมผัสกับเนคขมมะสุขนะถึงจะรู้ว่าอ๋อมันมีสุขที่ดีกว่านั้น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 ความสุขที่ปลอดจากอกุศลธรรมความสุขที่ประเสริฐประนีตตาบนั้นนะถึงจะมั่นใจได้ว่าจะไม่เวียนกับมหากามคือสามารถจะละทิ้งได้พวกเราคงจำได้ตอนที่พูดเจ้าได้ตรัสเทศน์สอนอนุปุิกถาก็จะพูดถึงเรื่องทานอานิสงของทาน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 ก็คือโทษของสวรรค์นนะั่นแหละว่ามันมีข้อจํากัดอย่างไรบ้างแต่ว่าถ้าตรัสเพียงเท่านี้เนี่ยก็คงไม่พอเพราะว่าแม้คนเราจะเห็นโทษของกามแต่ว่าก็ไม่สามารถจะหลุดออกจากกามได้โปร่งถึงจัดข้อที่ห้านะคือว่าเนคข ม, มะอา น, นิสงค์ของเนคข ม, มะนั่นแหละคือทางที่จะออกจากกาม ให้คำมาถึงความสุขที่ปลอดจากกามความสุขที่ไม่มีกามเป็นเครื่องกระตุน้นะคือต้องมีทางออกนะต้องมีสิ่งที่มาทดแทนในคำมาเนี่ยคือสิ่งที่จะมาทดแทนกามได้ถ้าไม่ไม่ไม่มีสิ่งนี้มาทดแทนนะก็ยังต้องเวียนกลับไปหากามอีกกลับไปหาความสุขจากวัตถุกลับไปหา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 แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถที่จะพบกับความสุขที่จะมาที่ดีกว่าไอ้ทุ่งหญ้า น, นี่นักสุก็ต้องเวียนกลับไปหาย่ากลับไปหาทุ่งหญ้าแล้วก็โดนพลานเล่นงานถึงชีวิตจะมีมีกวางตัวหนึ่งนะไม่เพียงแต่หลบไปในป่านะแต่ว่าสามารถที่จะดันต้ น, นจนกระทั่งไปเจอ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 มันเป็นสิ่งที่ขับคล้องมันมีโทษมากเหมือนกับมันให้ความสุขก็จริงแต่เป็นสุขที่เจือไปด้วยโทษนะเหมือนกับใต้ที่ทำด้วยญ้าแห้งแม้ว่าจุดไฟให้แสงสว่างก็จริงแต่ว่าแสงสว่างนั้นก็โมวๆไม่ใส่ถ้าแถมมีควันอีกควันนี้ก็ทำความระคายเคือง อันนี้เรกว่ามีประโยชน์ก็จริงแต่โทษมากนี่คือลักษณะของกามาสุขซึ่งยิ่งไปเสพด้วยความมัวเมานะความหลงตัวลืมตนแล้วเนี่ยก็อาจจ ะ, ะได้รับโทษเปรียบเหมือนกับโดนนายพรานยิงถึงตายคือ เราก็เห็นนะว่าคนที่ปล่อยให้ความการมาสุขเป็นเป็นนายเนี่ยเช่นเอาเงินเป็นสารณะเอาเงินเป็นใหญ่เนี่ยประสบความวิบัติความหายนะมามากแล้วพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธความสุขนะแต่ว่าเห็นว่าการมาสุขที่ผู้คนนะั้นหลงหลายเนี่ยมันมีโทษโทษมากด้วย ต, ต้องเข้าไปหา ต้องไปรู้จักสัมผัสกับความสุขที่ประเสริฐที่ประนีกว่าชีวิตพระมจรร์ชีวิ ต, น, วตนักบวชเนี่ยถ้าหากไม่มีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเนี่ยความสุขทางทางใจหรือความสุขที่เรียกได้คำว่ า, มมาสุขเนี่ยนสุขก็จะบวชได้ไม่นานนถึงอยู่ก็อยู่ด้วยความความความทุกข์เรียกว่ากัดฟันอยู่ อาจจะเป็นเพราะว่าไปไหนไม่ได้ล้มกัดฟันอยู่และสุดท้ายก็อาจจะหักห้ามใจไม่ได้ต้องไปทำสิ่งที่ผิดทางทั้งที่อยู่ในเพศผ้าเหลืองคือแทนที่จะเสือกอไปเสพกามอย่างคนทั่วไปก็เนื่องจากทนไม่ได้ก็จาทนอยู่แต่ว่าเนื่องจากจิตใจโหยหาความสุขแล้วก็ไม่รู้จักสุขที่ประณีตก็ต้องหวรวนกลับไปหาความสุขที่หยาบ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 ชวนไปนั่นก็คือว่ามันทําให้เกิดความทุกข์มากนะเพราะว่าการมาสุขก็ไม่ได้เสกส่วนสุขที่ประนีก็ไม่รู้จักบางทีพระเจ้าเปรี่ยบเหมือนกับดุ้นฟืนนะที่สองข้างนี่มันถูกไฟเผาเป็นถ่านแล้วส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นคูดนะมันเปื้อนคูดคือใช้ไม่ได้เลยนะใช้ไม่ได้สักอย่าง เพราะฉนั้นในเมื่อพวกเรานักบวชเนี่ยเราหันหลังนะให้กับกาลมาสุขแม้จะไม่ทั้งหมดนะย่างเมีอาหารที่อร่อยกินนะยังมีธรรมชาติที่เพลินเพลินตาเพลินใจให้เราได้ได้ชื่นชมไอ้พวกนี้ก็เรียกว่ากาลนะแต่ว่ามันเป็นกาลแบบน้อยๆแต่แม้ก็นั้นก็ตามเนี่ยการที่เราจะ อยู่หรือว่าใช้เพศพรมจรรันทะร์เนี่ยอย่างมีคุณค่าได้เนี่ยรวมทั้งมีความเพียรในการปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีความสุขนะทางใจหรือเนคมัสสุขเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงซึ่งเรือนถึงสุขจากสมาธิภาวนาสุขจากการบำเพ็ญทางจิตด้วยถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้การอยู่ของพวกเรา มันแต่ไม่ได้ความทุกข์มันเต่ไม่ได้ความรุ่มร้อนเพราะใจโหยหาการมาสุขเอาความสุขจากความสุขทางใจเนี่ยมันไม่ใช่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตประจัตท์เท่านั้นนะคนที่ต้องการทำความดีเช่นต้องการที่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกง ก็ต้องมีความสุขแบบนี้เป็นตัวหล่อเลี้ยงด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานเสร็จแล้วก็ถูกกิเลสล่อเร้ายั่วยวนให้ต้องไปคดโกงมีคนจานวนมากที่อยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตแต่สุดท้ายก็ต้องยอมทุกจริตเพราะว่า เห็นคนถึงเขารวยกันเห็นคนถึงเขารวยเอารวยเอาแต่เรานี่จนนะเกิดความอิจฉาเขาหรือว่าอยากจะเป็นอย่างเขาที่อยากจะรวยอย่างเขาเพราะอะไรเพราะยังเห็นยั ง, ลงหลงใหลในการมาสุขยั ง, ลงหลงใหลในความสุขจากวัตถุทําไมถึ ง, ลงหลงใหลก็เพราะตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่ประณีตความสุขที่เรียบง่ายได้ คนที่เข้าถึงความสุขที่เรียบง่ายคนที่เข้าถึงความสุขที่ประณีตหรือเนคข ม, มัสสุขเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกอิจฉาข้าราชการที่ร่ารวยประการทุจริตเลยเขากลับเห็นเขากับสงสารด้วยสามัญพวกนี้เนี่ยกำลังพาช่วยสู่ความตกต่ําไหนจะทําชั่วทําบาปแล้วก็ไหนจะไปลงไหลเพลิดเพลินกับสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลิน แล้วคนที่จะซื่อสัตย์สุสจริตได้หรือว่าจะดำรงตัวอยู่ในความดีได้เนี่ยอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาต้องมีความสุขทางใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่งั้นเขาจะอยู่ไม่ได้นานหรืออยู่ด้วยความทุกข์ทรมานอันนี้เป็นหลักประกันที่ทําให้คนเรามีความซื่อสัตย์สุสจริตได้ดีที่สุดเพราะว่าสามารถจะมีความสุขอยู่แล้วนะ ไม่ยังเป็นต้องดิ้นหลนทำชั่วเพื่อที่จะมีเงินทองมากมายให้เป็นภาระอาคนอย่างอาจารย์ป่วยอึ้งพากรเนี่ยนะซึ่งเป็นเป็นข้าราชการที่ซื่อสาตสุจริตมาก ท, ทั้งที่มีสติปัญญาเหนือคนทั่วไปมีความสำเร็จมากมายแต่ว่าก็สามารถจะอยู่แบบสมถะได้ก็เพราะว่าสามารถจะเข้าถึงความสุขที่ไม่อิงวัตถุ อาจจะเป็นความสุขจากการชื่นชมธรรมชาตนะิความสุขจากศิลปะดนตรีซึ่งอาจารย์ป่วยนี่ก็มีความสามารถในเรื่องนี้อยู่เป่าครวยเป็นต้นนะรวมทังความสุขจากชุดที่เรียบง่ายมันจะเป็นเสาหลักที่พิงเสาพิงให้คนเราเนี่ยสามารถจะดรงตนมั่นคงอยู่ในความดีนะหรือว่าถ้าทายิ่งกว่า น, นั้นคือว่า ออกจากเพศคารวาดมาเป็นนักบวชหรือเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ยิ่งต้องอาศัยความสุขทางใจความสุขจากาชีวิตที่เรียบง่ายความสุขจากสมาธิภาวนา น, นี่เป็นเครื่องหล่อเลียเ้ยงเมื่อเรามีความสุขแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกอิจฉาใครต่อใครที่เข า, าเพลิดเพลิ น, น, นกับชีวิตทั้งโลกเลย สมัยตอนที่บวชใหม่ๆเนี่ยสองสามเดือนเนี่ยแรกก็มีเป็นช่วงที่บวชบวบวชพระภาคฤ ด, ดูร้อนเนยมีนามเมษาก็มีหลายคนมาบวชที่วัดสนามในประมาณสักสองสามอาทิตย์เสร็จแล้วพอถึงวันศึกนะเขาก็ลาศิกขากไปเห็นเขาลาศิกขาแล้วก็รู้สึกอยากจะรู้สึกอิจฉาเขา เห็นเขาศึกเขาอยากก็สื่ออิจฉาเขาทำไมถึงอยากอิไมถึงอิจฉาเขาก็เพราะว่าเรายังไม่พบความสุขนะจากการบวชรู้ว่าเขาศึกเวลานี้เขาก็จะไปเที่ยวไปเล่นไปดูหนังให้เราก็อยากจะสัมผัสกับความสุขแบบนั้นบ้างจิตใจก็วันไหวนะเวลาเห็นคนศึก แต่พอบวชเป็นสักระยะหนึ่งนะเห็นคนสึกก็เฉยๆเพราะว่าไม่ได้อิจฉาคนละบางทีสงสารเขาด้วซ้ํานะว่าเขามีเวลาบวชได้ไม่นานโศนสารเขาที่เขาต้องไปเจอกับชีวิตที่ร้อนแรงแม้ว่าจะมีความสนุกแต่ว่าก็เต็มไปได้วยความทุกข์บางทีสิ่งหนึ่งที่จะวัดได้ว่าเรามีความ สุขกับชีวิตของนักบวชหรือไม่ก็ดูจากการที่เมื่อเห็นคนอื่นเนี่ยเขาสึกไปเราก็เฉยเฉยเห็นใจเขาด้วยหรือถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่จะชี้ว่าเราเนี่ยมีความสุขกับชีวิตนักชีวิตนักปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็คือตอนที่เห็นคนหนื่งเขากลับบ้านก็ามาปฏิบัติได้3มวัน6วัน7จวันหนึ่งเดือนเขากลับบ้าน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 ขอให้ทำความเพียรต่อไปเนคขมาสุขนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ง่ายหรือว่าสัมผัสได้ทันทีมันต้องอาศัยการาทำความเพียรควบควบู่กับการปรับตัวปรับใจด้วยบางทีนะั่นเราก็รู้นะว่าเนคขมะเนี่ยมันดีมีประโยชน์ แต่ว่าถ้าใจยังไม่ได้สัมผัสกับเนคขมาสสุขเนี่ยมันก็ยังวันไหวจิตใจไม่มั่นคงพระพุทธเจ้าเคยตัดไว้อีกตอนหนึ่งว่าเมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสรุลนเนี่ยแม้จะมีปัญญาเห็นว่าเ น, นคขมัสสุขเนี่ยเป็นสิ่งดีบระเสิร์กกามาสุขแต่ว่าใจยังไม่เลื่อมใสใจยังไม่โน้นตาม ใจยังไม่ตั้งมันน่นในเนคขมมะทั้งที่เห็นโทษของกามันนะและทั้งที่เห็นว่าเนคขมมะเนี่ยเป็นของดีต่อเมื่อจิตใจได้สัมผัสกับอนิสงค์ของเนคขมมะเมื่อนั้นแหละใจจึงเลื่อมใสใจจึงน้อมตามใจจึงตั้งมัน่นอันนี้ก็เรียกว่าสมองกับหัวใจนี้ไปด้วยกันละควบคืนกันละ ทีแรกเนี่ยก็เพียงก็รู้ว่าในคขมานี่ดีนะแต่ใจยังไม่ไปเนยอย่างที่พูดเมื่อวานอันนี้เป็นปัญหาของคนทั่วไปเลยสมองกับหัวใจไปคนละทางความคิดกับความรู้สึกมันไม่ได้กลมกลื่นกันสมองบอกว่ า, วาในคขมานดีแต่ใจมันไม่เอาใจมันจะเอากามต่อเมื่อได้บําเพ็ญเพียรได้ปฏิบัติ กล่มกาวจิตใจด้วยอาธิจิตตศิกขาอธิปัญญาศิกขาหรือว่าการบรําเพ็ญทางจิตทางปัญญาจนกระทั้งได้สัมพันกับความสุขความสงบจากชีวิตที่เรียบง่ายจากเนคขมมะถ้าถึงตอนนั้นก็เรียกว่าใจก็ไปละน้อมใจเลื่อมใสสามารถจะหันหลังให้กับอาการมาสุขได้อันนี้ก็เป็น เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราพึงให้ความใส่ใจนะถ้าต้องการที่จะ อ, อยู่ในเพศพรหมจันร์อย่างมีอย่างมีประโยชน์มีความหมายแล้วก็อยู่ได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งจะไม่เป็นนักปฏิบัติธรรมก็ตามแต่ต้องการเพียงแค่เป็นคนดีมีศีล น, นะไม่เบียดเบียนใครเนี่ยให้ความสุขทางใจเนี่ยสำคัญมากที่จะหล่อเลี้ยง ให้เราเนี่ยครองเพศพรมจันทร์สามารถจ ะ, ะมั่นคงในการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าสามารถที่จะทำความดีได้โดยที่ไม่แพ้แพ้ต่อกิเลสไม่แพ้แพ้ต่อความชั่วอชาติก็พูดกับท่านนี้ครับพ